ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จกไม่มีเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเ <c ough> <asser controller> พราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า <c oughs> ถ้าเราไม่พึงมี <c oughs> แม้บริขารของเราก็ไม่พึงมี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 แม้บริขารของเราก็จะไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงสแสวงหาใครโครนด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าและถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วบริขารของเราก็จักไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยสาวกละความสงสัยในฐานะหประการนี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ละถึงละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า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 ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาทิกะศาสตร์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุรุษคือประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่เมื่อตายไป ธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมผันแปรไปเป็นอากาศธาตุบุรุษทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ห้านำศพไปรอยเท้าปรากฏเพียงแค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูขาวโพลนดุดสีนกทิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทาน คนเขลาบัญญัติทานนี้ไว้คําที่คนบางพวกย้ําว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเ ท, ท็จไร้าสาระหลังจากตายไปไม่ว่าคนเขลาและคนฉลาดย่อมขาดศูนไม่เกิดอีกภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักและถึงภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูป เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลและถึงหลังจากตายไปไม่ว่าคนเขาและคนฉลาดย่อมขาดศูนไม่เกิดอีกเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณ ทิฏิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลและถึงหลังจากตายไปไม่ว่าคนเขาและคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรผันเป็นธรรมดา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 ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลละถึงคําที่คนบางคนย้ําว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเทศไร้าสาระหลังจากตายไปไม่ว่าคนเข่าวและคนฉลาดย่อมขาศูนย์ไม่เกิดอีกไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ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 นัตถิทินนสูตรที่ห้าจบหกรโรโตสูตรว่าด้วยทิฐิว่าเมื่อบุคคลทำเองเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าเมื่อบุคคลทําเองใช้ให้ผู้อื่นทําตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทําให้เศร้าโศ ก, กเองใช้ให้ผู้อื่นทําให้เศร้าโศกทําให้ลําบากเองใช้ให้ผู้อื่นทําให้ลําบาก ดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดช่องย่องเบาปล้นทำจรกรรมในบ้านหลังเดียวดักซุ่มที่ทางเปลวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลจะใช้จักมีคมดุดมิโครสังหารเหล่าสัตว์ในปฏิพีนี้ให้เป็นลานตากเนื้อให้เป็นกองเดียวกัน เขาย่อมไม่มีบาปที่เก mm. ิดจากกรรมนั okay. right. okay. ้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช่ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองช่ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคา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 เมื่อบุคคลทาเองใช้ให้ผู้อื่นทำละถึงย่อมไม่มีบุญไม่มีบุญมาถึงเขาไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าละถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าเมื่อบุคคลทาเองใช้ให้ผู้อื่นทำ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 ว่าด้วยทิชชีว่าไม่มีเหตุเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรงสาวาทีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไ ร, ระเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิชชีอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้าหมองเอง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 และตามลักษณะเฉพาะของตนสวยสุขและทุกข์ในอภิชาตทั้งหกเท่านั้นภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักและถึงภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าละถึง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 เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะและถึงมีความแปลผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น ท, ทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ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 จึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ละถึงละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุก์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันเมื่อมีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าเหตุสูตรที่เจ็ดจบ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 ยั่งยืนมั่นคงดุดยอดภูเขาดุดเสาเนียดไม่วันไวไม่แปรพันไม่กระทบกระแท่งกันไม่ขอให้เกิดสุขหรือทุกหรือทั้งสุขและทุกแก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองอะไรบ้างคือหนึ่งกองแห่งธาตุดินสองกองแห่งธาตุน้ำา 3. กองแห่งธาตุไฟ 4. กองแห่งธาตุลมห กองสุขห ก, กองทุกข์ 7. กองชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดไม่วันไหวไม่แปรผันไม่กระทบกระแทงกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน ใครก็ตามแม้จะเอาศัตราคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าใครปรงชีวิตใคร i, ได้เพราะเป็นเพียงศัตราแทรกพานไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ 62, ่งกำเนิดที่เป็นประธานหนึ่งล้านี่กพันหกร้กรัมห้าร้กรัมห้ากรัมสากรัมกึ่งปฏิปทา62อันตรกับ62 อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวก 4,900 ปริภาชก 4,900 นาขวาท 4,900 อินทร์ 4,000 นรก 3,000 ระโชทาต36สัญญีคันธ7อสัญญีคันธ7นิคันถีคันธ7เทวดา7มนุษย์7ปีศาจ7 สะเจตาไมา้ไผ่เจ็ตาไมา้ไผ่เจ0ดร้อเหวใหญ่เจ็เหวน้อยเจ็รอ้อมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็รอ้อมหากับ8ปล้านสี่แสนเหล่านี้ที่คนพานและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียน่หวไปแล้วจากทาที่สุดทุกได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่า เราจากอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้อำนวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจากทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตะบะหรือพรหมจรรย์นี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงด้วยธนานสงสารที่จะทำให้สิ้นสุดไม่มีเลยไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงต่า พวกคนพานและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วสวยสุขและทุกเองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกคว้างไปย่อมคลี่หมดไปเองเะนั้นภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูป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 ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อาริยสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการนี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ละถึงละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอาริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า มหาทิฏฐิสูตรที่8ดจบเก้า ส, สัสตะทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกเที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า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 เพราะเหตุที่อริยสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการนี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกละถึงละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสามโพธิในวันข้างหน้า สัสตตทิฏฐิสูตรที่เก้าจบ10อสัสตตทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า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 ละถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าละถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงติวจขึ้นบ้างหรือว่าโลกไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงสแสวงหาใคร่ตรวงด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 อันตวาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าโลกมีที่สุดภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักและถึงมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอันตวาสูตรที่สิบเอ็ดจบสิบสองอนันตวาสูตร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 มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอั น, นันตวาสูตรที่สิบสองจบสิบสามตั้งชีวังตั้งสริรังสูตรว่าด้วยทิฐิว่า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 ละถึงมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าตั้งชีวังตั้งสรีรังสูตรที่13จบ 14. อัียอังชีวังอัญงสรีรังสูตร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 ธรรมของค่าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอัญยังชีวังอัญยังสรีรังสูตรที่14จบ15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 นหนโหติตถาคโตสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมันอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า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 โหติจจนะจะโหติตถาคโตสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวาทีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า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 การตอปัญหา18ข้อจบรวมพระสูตรที่มินิวัคนี้คือ 1. วาตะสูตร 2. เอตังมะมะสูตร 3. โสอั ต, ตาสูตร 4. โนจเมศยาสูตร 5. นัตถิทินะสูตร 6. กระโรโตสูตรเดเหตุสูตร 8. มหาทิฏฐิสูตร 9. สัสตทิฏฐิสูตร 10. อสัสตทิฏฐิสูตร 11. ออันตวาสูตร 12. อนันตวาสูตร 13. า ตังชีวงังตังสรีรังสูตร 14. อัญยางชีวงังอัญยางสรีรังสูตร 15. โหติตถาคโตสูตร16นโหติตถาคโตสูตร 17. โหติจนะจะโหติตถาคโตสูตร 18. เนวะโหตินาณโหติตถาคโตสูตร